นังวันนี้ที่ไปแจกสินของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้น ล, ล่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลกักษณะแหน่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินของก็อโอ้น้าตื้อหน้าสู ง, สงเือกหน้า ส, งส า, าสงสารนะ่าสงสารมากทีเดียว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 วันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ในระดับความสุขความเบาใจเย็นใจความปิีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของมาแค่น้อยแากมากมายก่ายกองคนที่มานั่งก่อนรู้สึกว่าสมบังฤทธิกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่คือการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจับอย่างนี้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 คนเรามีความลึกนตื่นนะบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจถ้าภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรักนะเรื่องของทานจริงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้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 เรี่ยวกับความยัศละต่อกั น, นพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระวรมีเพื่อโพธิสมทานก็ทรงบำเพ็ญทางมาโดยลำหนักจนกระชอนอิทธีสัจวิธีปุลของพระองค์นี้เวลามาแต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสรรักการะบูชาทํามาให้ทานแม้ถือบุคคลวดาก็เช่นเดียวกัน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 แม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช er we ่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยผลงานความดีข้างหลังมีทานอมรมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทางว่าอย่างนั้นการให้ทานจึงเป็นสิ่งจําเป็น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 ที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากค่าสึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้จกบุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งทิงหรือจบิงยิ่งราไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องไข่ควรต้องพิจิรนะิจาและสังสมหรือิสานบาเพ็ญ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 การสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจิตความปริงหรือหลักความปริงเราถ้าจะพูดจันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูงวกตาบอดทไในเชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโงม่ก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหน อยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก่มันฉนันจึงต้องแก้ความโง่เขลาบอปัญญาอันเป็นความมืดบ่อ น, นี้ออกให้จิตใจเรามความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ทั้งตาในตานออมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธทางสรางังกระฉามให้ถึงใจฝากเป็นปากตากับท่าน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 หมดไปหมดไป ม, มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอเอาเสียจริงๆเป็นไม่มีอะไรเหลือนะเมื่อไม่มีลมหายใเหลืออยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าอะไรก็ เ, เรียกว่าคนตายใั้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจยอย่างนันตายจากคุณงามความดีอันเด็เกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบารุง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 ความตายมันทำท่ำๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้ อ, รอมๆกันเมื่อตัดสญญาเหตุของเกิดความตายได้แล้วความทาท่ำความทำทําหนัันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อยงหากว่าเราไม่เชื่อเลย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 เป็นอิ ส, ละละอส ร, ระแล้วมันอยู่ไหนมันจะสมาทันั้นไม่มีอะไรจะสมายิ่งกวความเป็นอิสระของใจศาสนะธรรมตั้งสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำหนักลำหนทว่ากว้างกวาง้างทำทว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจที่จุดเดียวผู้นี้เรเป็นผู้ที่จรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลั่วสุขทุกรวมอยู่ในใจนี้ทั้หมด คำว่ามโนปภังขมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นย้าคันอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิด ก, กันร่างกายมืดตื่นตามธาตุอยากพองมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้มตามธาตุแห่งธรรม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 สิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกแห่งใจขอให้นำปนนัจจุบันพิจารณาการแสดงธรรมเป็นหน้าสมควรเจรเวลาะอริติเพียงเท่านี้